ส่วนในภาษาริบุตรอธิบายไว้ว่าดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิสูุนทั้งหลายคำว่าภัยคำว่าทุกข์คำว่าโรคคำว่าฝีอะนะความคล่องความเป็นสัตว์เปลือกตมคำว่าคันคันก็คือท้องอะนะล้วนเป็นชื่อของกามทั้งหลายถามว่าเพราะเหตุไรกามทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นเหมือนกับภัยทาไมจึงชื่อว่าภัย ก็เพราะว่าสัตว์กําหนัดด้วยการมราค้าอันชันทราคะผูกพันย่อมไม่พ้นไปจากภัยแม้ในปัจจุบันไม่พ้นจากภัยในสัำปรา ย, ย่าพบเพราะฉะนั้นคําว่าภัยคือเป็นชื่อของวัตถุ ก, การมอย่างวัตถุ ก, การมวัตถุที่เราน่าปรารถนาหน่าพอใจที่สุดเลยเอาอะไรมันหน้าพอใจสําหรับเราเราลองมาไล่ดูนะอะไรคือสิ่งที่น่าพอใจสมมุติว่าเอารถหน้าพอใจบอกถามว่าถ้ามีรถคันหนึ่งเนี่ยต้องเช็ด ต้งเช็ดบ่อยไหมดูค่าเช็ดค่าน้ํามันค่าดูแลค่ารักษาค่าประกันค่าโนู้นค่านี่ค่าสาระหลายๆค่าด้วยกันเนี่ยนะปัจจุบันนี้เดือดร้อนไหมเอานะเสียเวลาไปตรงนั้นเท่าไหร่แล้วชีวิตหนึ่งแ ล, แล้วถามว่าอะไรชาติหน้าเนี่ยนะเมื่อพูดถึงรถและสวรรค์อย่างเดียวใช่ไหมไม่แน่นะสําหรับบางน้อยท่านอย่งนั้นอนะ่ะไม่ใช่บางหลายน้อยมากที่คําว่ารถเมื่อไหร่ก็สุขคติอย่างเดียวเนี่ยนะ ไม่มากเพราะฉะนั้นคืว่าสิ่งเหล่านี้วัตถุกรรมเหล่านี้นํามาซึ่งทุกในปัจจุบันและสัำปรายภพบคาว่าทุกคำว่าโรคคําว่าฝีความติดข้องความเป็นสัตว์เปลือกตมหรือในท้องหรือคันน่ยนะท้องก็คือคันนะ่ะทําไมจึงชื่อว่ากามดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสัตว์กําหนัดด้วยราคะอันฉันทราคะผูกแล้วย่อมไม่พ้นจากการนอนในคัน ในปัจจุบันไม่พ้นจากคันในสัมภายะพบคเครืองถ้าหากว่ายังติดข้องในวัตถุกรมเราคิดไหมว่าเราจะพ้นจากการเกิดในท้องอีกต่อไปเพราะวัตถุที่เราเกี่ยวข้องมันเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพลดิดเพลินของคนที่เกิดในท้องเนี่ยนะพระคลอดมาจากท้องนั่นแหละจึงได้เพลดิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นวัตถุเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งการนอนในคันอีกต่อไป กรมก็แตะเป็นคาถาว่าสัตว์ที่เป็นปุตุชนยังลงแล้วด้วยราคาอันน่ายินดีย่อมเข้าถึงความเป็นสัตว์เกิดในขันเพราะกามเหล่าใดกามเหล่านั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นความติดข้องเป็นสัตว์เป็นเปลือกตมและเป็นขันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุไม่ละฌานทั้งอารัมมณูปนิชฌานและลัคนูปนิชฌาน คือไม่ละสมถะและวิปัสนาเมื่อนั้นภิกษุนั้นล่วงกามอันเป็นทางเหมือนเปลือกต้มเรียกว่าทางอะไรถ้าคนขับรถในกลัวทางไหนมากทางเละๆใช่ทางที่มีเปลือกตมก็คือทางเล่ๆทางที่เต็มไปด้วยโคลนตมทางแบบนั้นเนี่ยนะรถทั่วไปข้ามง่ายไหมบอกข้ามยาก เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ละในอารัมมณูปนิชฌานลักคนูปนิชฌา น, น, น, ชชานไม่ละในสมถะและวิปัสสนาก็จะข้ามที่หมูสัตว์ยากที่จะข้ามได้นะที่หมูสัตว์ผู้ข้ามไม่ได้ก็เข้าถึงชาติและชราก็พากันดิ้นรนอยู่ดิ้นรนจนอยู่ก็เรียกว่านั่งนิ่งๆสบายๆ ย, ยากเต็มทีเนี่ยนะ ชีวิตนี้นั่งนิ่งๆสบายๆได้สักกี่ครั้งเนาอเนี่ยนะนั่งสบายแบบรั่งหลับเธอสบายจริงๆเหรอเนะ่ยเรียกว่าไม่มีกังวล น, นําหน้าล้อมหลังเลยเนี่ยนะแหมใครพบในอนุโมทนาด้วยนะทาบุญอะไรมานาะช่างสุขแท้แต่ไม่ใช่โง่เขานะหมายว่าพิจารณารอบครอบทั้งหน้าทั้งหลังแล้วเนี่ยยิ้มโอ้โล่งใจเลยนะ เรียก ว, ว่าหายใจแบบโล่งใจก็ไม่ใช่เฮือกใหญ่แล้วก็โอ้ยไม่น่าเลยนะนะทั้งข้างหน้าข้างหลังนะ้วก็โอ้ยที่ผ่านมาก็แม่เพิ่งหวุดหวิดมาได้ไอข้างหน้าที่จะมีต่อไปมันอะไรอีกเนาะเหมือนภาวะของคนอยู่ในสงครามถ้าอย่างนั้นก็แม่เฮือกเนี่ยนะกนะ็ว่ากโอ้ยพอผ่อนคลายไปหน่อยเนะี่ยเจะไปต่ออีกแล้วเลยนะถ้าอย่างนี้ก็ จเจริญการุณาให้ตัวเองเยอะๆเนี่ยนะเพราะมาว่าเชื่อเลยนะว่าถ้าใครจเจริญเมตตาจเจริญการุณาให้ตัวเองมากๆยังไงเขาจเจริญอย่างเดียวจเจริญเมตตาให้ตัวเองคืออะไรคือคิดไว้เสมอว่าเราต้องได้ รู้คุณธรรมทั้งหลายเราต้องได้อริยสัพย์เพิ่มภูณสัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาบุญกุศลคุณงามความดีมาจากศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เราประสบะประสบพบปะเจอเจอแต่คุณงามความดีบุญกุศลประสบแต่มงคลประสบแต่ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พ้นจากทุกโลกนี้พ้นจากทุกโลกหน้าพ้นจากวัตฏะสงสารก็น้อนมนำเมตตาวังดีปรารถนาดีให้แก่ตัวเอง ขอให้เราพ้นจากทุกทั้งหลายทุกในปัจจุบันทุกจากสัมปรายภพนะทุกจากวัตตันนี้เรียกว่าการุณาปรารถนาให้ตัวเองพ้นทุกเนี่ยนะสับพาทุกขาประมุนจันโตขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกอย่าง น, นนะอันนั้นก็เป็นกรุณาท้ามน้อมนําาหวังว่าเราจะต้องประสบความสุขแล้วน้อมนําตัวเองให้พ้นไปจากความทุกข์เขาจะเจริญในพระศาสนาเป็นแน่แต่อย่ารีบอะไรนะรีบอย่าเอาความบางคนเนี่ยเรียกว่า รีบเอาความสุขที่ไม่ควรจะเป็นความสุขม า, มากินซะก่อนก็เลยเดือดร้อนก็เหมือนเอาบุญที่ควรจะมีในอนาคตม า, มาใช้ในปัจจุบันพอใช้หมดเลยเดือดร้อนเลยฉันอยากได้เป็นอย่างนั้ น, นถ้าเร า, เามีเมตตาหวังดีปรารถนาดีก็เจริญในข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งความสุขนันผู้ใดที่กำลังดาเนินอยู่ในปฏิปทาเพื่อเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถึงเขาจะปรารถนาความสุขแต่สิ่งที่เขากาลังทาอยู่คือ สร้างเหตุแห่งความทุกข์อยู่นั่นเองมาดูพระประเจกกับพุทธเจ้าองค์ที่18นะในกรุงพาราณสีพระราชาพระนามว่าสีตาลุกพรห ม, มทัตพระเจ้าสีตาลุกเนี่ยนะท้าเธอผนวนแล้วก็ประทับอยู่ในกุฏิปา่า รัฐประเทศนั้นหนาวก็มีความหนาวไปอยู่สถานที่ที่มันหนาวเน็บเลยนะหน้าหนาวก็หนาวจัดหน้าร้อนก็ร้อนจัดเท่ากันเพราะเป็นประเทศตั้งอยู่ในที่โล่ง้ก็ว่าโอ้ไปบวชนะ่ะเป็นพระราชาบวชแล้วไปบวชแล้วไปอยู่ในที่ธุระกันดานมากชนิดที่เรียกวแบบ่ากลางวันก็ร้อนเราอกกลางคืนก็หนาวเน็บเนี่ยนะหน้าหนาวก็หนาวอย่างเดียวหน้าร้อนก็ร้อนอย่างเดียว ภิกษุอาจารย์ในโ ค, โ ค, โคโจอนคามก็ไม่ได้ตามความปรารถนาไปบิณธบาติก็ยากยากแม้แต่น้ําดื่มสําหรับผู้จะดื่มก็หาได้ยากเพราะว่าสถานที่ที่พระอยู่บางที่เนี่ยนะไปตักน้ําเป็นกิโลก็มีเนี่ยนะไปกระเตงกระเตงกระเตงมาใส่ถังมาเนี่ยนะไกลไกลกว่าจะได้น้ําดื่มมันน้ําดื่มก็หายากลมก็กมากเหลือกสัตว์เลื้อยคลานก็เบียดเบียนพระองค์ก็มาคิดว่าในที่ประมาณ กึ่งยอดก็ประมาณ8กิโลห่างจากนี้ไปเป็นประเทศที่สมบูรณ์อันตรายทางสรีระเหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่มีในประเทศนั้นอย่าเลยเราไปในประเทศนั้นเธอไปอยู่แล้วก็ผาสุขถ้าไปอยู่ที่นั่นสบายๆอย่างนั้นบรรลุธรรมก็ได้เนี่ยนะอาจจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วบรรลุก็ได้พอคิดว่าเออไปอยู่ตรงนั้นน่าจะบรรลุได้ก็มาคิดอีกว่าธรรมดาบรรปะชิตทั้งหลายไม่ควรตกอยู่ในอำนาจปัจจัย ย่อมยังจิตให้เป็นไปในอำนาจไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตอย่าไปเชื่อใจนะต้องเชื่ออะไรต้องให้ใจนี้เป็นไปตามอำนาจของสมถาวิปัสนาไม่ให้ให้สมถาวิปัสนาเป็นไปตามใจนะ ถ้าสมถาวิปัสนาเป็นไปตามใจบอกว่าแล้วแต่ใจมันจะบอกอจเจริญ น, นะวอกไม่ต้องจเจริญรอกไว้ก่อนนะแล้วแต่ใจมันจะเสี่ยมสอนแต่ถ้าเอาสมถาวิปัสนานำหน้าใจบอกใจแกจะคิดอะไรก็คิดไปฉันไม่ทิ้งสมถาวิปัสนาฉันจะให้แกคิดไปตามหลักสมถาวิปัสนาเท่านั้นแหละนะทนก็เลยคิดไปคิดมาบอกไม่ไปละก็พิจารณาเสร็จแล้วก็ไม่พิจารณไม่ไป พิจารณาจิตที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นถึงสามครั้งเสด็จกลับตั้งแต่นั้นก็ประทับอยู่ในป่านั้นเทียวตลอดเจ็ดปีปฏิบัติชอบอยู่กระทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณแล้วบางคนบอกอุ้ยทนอย i, ู่ได้ยังไงเจ็ดปีเชื่อไหมคนที่ทนเกินกว่าเจ็ดปีแบบนี้มีมากแต่ไม่ใช่บวชนะก็คือแบบทำไรทำนาเนี่ยนะร้อนก็ร้อนเรุหน้าร้อนก็ร้อนหน้าหนาวก็ไปตากลมตากแดดยุงกกัดแมลงก็กวน โอ้ยตั้งแต่รุ่นปู่ของปู่ของปู่มาจนหลานของหลานของหลานต่อไปก็ทํากันอย่างนั้นน่ะนะไม่เห็นได้บรรลุอะไรเลยก็ทนทนก็ไม่เห็นจะไปไหนที่มันดีกว่านั้นชวนบวชจะไปคิดระบวชนะไม่เอาหรอกแนะน่ะบวชเธอจะได้สบายเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นบุญเป็นกุศลท่านไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่รอกบอกไม่ได้ไม่ได้นะน่ะมันไม่ใช่ของง่ายนะพ่อไอ้วัตถุเหล่านี้โดยรวมๆแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจ นั้นแต่ว่าพระปเจกขพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านก็มีปัญญานะ พ, ะพิจารณาวัาสถานที่จะเช่นไรก็ช่างเถอะพยายามข่มใจฝึกใจให้เป็นไปกับสมถาวิปัสนาในที่สุดก็ตรัสรู้เป็นพระปเจกขพุทธเจ้าอุทานเป็นคาถาว่าสีตันจะอุนหันจะคุทางปิปาสังวาตาตะเปดังเิริงสเปจะ สัป บ, บาณิเปตานิอภิสัมพิตวาเอโกเจเรค ข, ข้ า, ขาวิสานะกัโปโตรนะบุคคลพึงครอบงำอันตรายเหล่านี้แม้ทั้งปวงครอบงำอันตรายแปลว่าอย่าให้จิตใจตกอยู่ใต้อำนาจของความหนาวความร้อ น, ค ว, นความหิวความกระหายลมแดดเหลือบสัตว์เลื้อยคลานแค่ว่าครอบงำอันตรายก็คืออย่าให้จิตใจอยุด ต, ตกใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้ เที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรดนั่นก็กระวมไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของอลักษณะของผู้ที่มีขันติสังวรนั่นเองมีความอดทนคือจะอยู่ในสภาพใดสถานที่ใดเหตุการณ์เหล่าใดก็ไม่ถือเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นใหญ่เกินไปจนทิ้งสมถะและวิปัสสนาเหตุการณ์เหล่านั้นจะเป็นเช่นใดก็ไม่เอาเป็นประมาณ เป็นประมาณก็คือมุ่งเจริญสมถะและวิปัสสนาเท่านั้นส่วนพระประเจกอีกองหนึ่งองค์ที่สิบเกบอกว่าได้ยินว่าในกรุงพาณาสีพระราชาพระองค์หนึ่งสเสวยราชาสมบัติเป็นเวลา2ี่สิปีแล้วก็สวรราคตกไม่อยู่ในนรกตลอดยี่สปีเหมือนกันคุ้มไหมวันต่อวันเนี่ยนะเป็นพระราชาวันหนึ่งแล้วตกนรกวันหนึ่งเป็นพระราชาสิบปีเอ่อยี่สิปีตกนรกยี่สิปีเหมือนกันเนี่ยนะ โอ้ก็เกรียกอะไรนะสเสุขครึ่งหนึ่งทุกครึ่งหนึ่งอนะไนแต่ว่าไอ้ตอนที่สุขเป็นพระราชายี่ปีมันไม่ใช่สุขล้วนลวนใเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แต่ตกนรกยี่สปีเนี่ยเผาไฟเผาผลาญล้วนลวนเนี่ยนะยี่สิปีไม่มีสุขขั้นเลยอะแปลว่านนรกไม่มีสุขขั้นแต่สุขในมนุษย์เป็นพระราชาก็มีความทุกแทรกในระหว่างในระหว่างใช่ไหมเพราะว่าต้องหวาดระแวงเป็นต้นในที่สุดก็มาเกิดเป็นช้างในหิมาวันต์ประเทศ พลมาจากนรกมาเกิดเป็นช้างเป็นช้างที่รูปสวยมีร่างกายมีสีเหมือนดอกบัวอะนะเป็นช้างตัวใหญ่มากเป็นจากโคลงเป็นช้างผู้ใหญ่อย่างนั้นเะเป็นหัวหน้าฝูงลูกช้างทั้งหลายก็ย่อมเคี้ยวกินกิ่งไม้ทั้งที่พญาช้างนั้นหักแล้วแม้บุญภาวาสนาส่งทำให้มาเป็นพระราชาพลาดไปทำบาปเข้าตกนรกมาเกิดเป็นช้าง อดีตก็ทำบุญมาตั้งมากมายแลวนะแต่ใจตั้งไว้ผิดเนี่ยตรงนี้นี่สำคัญมากเลยนะว่าใครที่ทำบุญทำบุญปรารถนาวัตถุกรมทั้งหลายเรียกว่าปรารถนาความมั่งมีสีสุขมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานใหญ่โตเพียบพร้อมไปด้วยอำนาจทรัพย์บริวารเป็นต้นถามว่าเมื่อมีสิ่งเหล่านั้นแล้วเอาไปทำอะไร ต้องต้องสอบถามตั้งความชัดเจนเอาไว้ให้ดีนะสาหรับคนที่ทําบุญทั้งหลายเนี่ย น, นะไม่อย่างนั้นเมื่อมีสิ่งเหล่านั้นเพียบพร้อมพูนสุกไปด้วยวัตถุเหล่านั้นเอาไปทําอะไรเอาไปทําบุญใช่ไหมเอาไปเว้นจากปานาติบาตอาธินนาทานงดเว้นจากการเมสุมิใชาจานไปเว้นจากสุราเมรยัไรมรยไปตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมมาบทใช่ไหมต้องสมาทานตั้งมั่นไว้ให้ดีนะว่าว่าถ้าไปอยู่ณนะที่ใดตําแหน่งใดอย่างไรต้องเป็นศีลสมาธิวิปัสนาต้องเป็นไปกับ กุศลกรรมมาบทสิบให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้นให้เป็นผู้มีศีลยินดีในสมถะและวิปัสสนาเพราะไม่งั้นอ่ะแหมตำแหน่งสูงก็ทําบาปนี่มันโดยมากมันอยู่ใกล้ใกกันไปใช้บุญทีเดียวเลยพลาดและตกนรกเพราะว่าคนอยู่ในตำแหน่งสูงเวลาทําบาปทีมันก็เยอะอะ่ะนันะว่าเวลาทําบาปทีนึงก็โหลึกเลยแหละพราะมาณพอเกิดเป็นช้างทีนี้พอไปอยู่เป็นช้างพวกช้างพังทั้งหลายก็รูปไร้พญาช้างด้วยเปือกตม ก็แปลว่าไอ้พวกบริวารช้างพวกนางช้างทั้งหลายก็มามาเล่นมาอะไรมาเรียกว่ามาเล่นด้วยมันก็เบื่อนะก็เลยเป็นคล้ายพญาช้างปาลีลัยกะก็เบื่อนายหลีกจากโขลงหลีกจากฝูงไปคือก็เวลาเนี่ยเวลาที่จะไปไปลง น, น, นะ น, ปลน้ำเนี่ยนะพวกบริวารก็ไปลุยสนามเนี่ยคลักไปหมดแล้วตัวเองจึงค่อยไปเดินแต่น้ําที่คุณตลอดพอเข้าไปป่าฝูงทั้งหลายก็ไปกินไอ้ที่ยอดอ่อนๆหมดตัวเองก็ไปกินแต่ ซากพืชเนี่ยนะแล้วก็ก็คือไม่เคยได้รับความสบายเป็นใหญ่ก็จริงแต่ว่าแม้ทุกอย่างเลวกว่าเพื่อนหมดเล ย, เ น, ยนะจากนั้นก็เลยเบื่อหน่ายเพราะแต่นั้นฉาโขงช้างก็ติดตามพญาช้างนั้นอีกคือพญาช้างก็หนีหนีบริวารก็ตามตามรอยพญาช้างหลีกไปอย่างนี้ก็ถูกถึงสครั้งก็ถูกติดตามอีกก็เลยคิดต่อไปว่าเป็นพญาช้างนะั้นและเลิศชาติได้ด้วย พระนัดดาคือหลานของเราบัดนี้เสวยราจะสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีและลึกชาติได้ว่าหลานเนี่ยตอนนี้เป็นพระราชาอยู่เอาเถอะเราไปสู่อุทยานแห่งชาติของตนก่อนกลับไปอยู่โน่กลับไปอยู่สวนเราดีกว่าหลานนั้นจักรักษาเราในอุทยานหวังว่ากลับไปจะให้หลานที่เป็นมนุษย์นี้รักษาทั้งโขลงช้างก็หลับในกลางคืนท่านก็เลยสลัดนี้ไปอยู่ในอุทยาน คนรักษาอุทยานเห็นแล้วก็ทูลบอกแด่พระราชาพระราชาคิดว่าเราจัดจับช้างในได้ปู่นะก็เลยแวดล้อมด้วยเสนาเข้าไปช้างก็มุ่งหน้าต่อพระราชาพระราชาคิดว่าช้างนี้เดินหน้ามุ่งมาหาเราจึงผูกสอดลูกศอนประทับยืนอยู่จากนั้นช้างก็คิดว่าพระราชานั้นอะ่ะยิงเราแน่ก็เลยพูดด้วยภาษามนุษย์ว่าพรหมทัตอย่ายิงเราเราเป็นปู่ของท่านนะพระราชาก็าถามว่าท่านพูดอะไร ก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเล่าเรื่องว่าไงก็บอกเรื่องราวเกี่ยวกับราชาสมบัตินั่นแหละสเป็นพระราชา20ปีตกนรก20ปีนี่เพิ่งมาเกิดเป็นช้างเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วก็เบื่อนายช้างนี่ว่าจะนี้มาพึ่งใบบุญอยู่นี่ประมาณพระราชาก็ไปเล่าไปลงมาอยากกลัวเลยนะท่านปูปูไม่ต้องกลัวแล้ว่าะั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครๆสะดุง้งแล้วก็บำรุงด้วยอาหารเครื่องรากแก่พญาช้าง